ทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องอนนาปานสติที่เราจะต้องพูดเป็นประจำ <c oughs> ก็คือเตือนนั่นเองย้ำหรือเตือนนั่นเองมันก็พูดมามากแล้วเขียนให้อ่านก็มากแล้วทีนี้ก็ยังจะต้องเตือนกันอยู่เป็นประจำสำหรับคนที่ลืมสาหรับคนไม่เอาจริง <c oughs> เมื่อกี้ก็ได้สวดอนนาปานสติโดยหัวข้อ16ขั้นแล้วกระทบตัวตามตัวหนังสือนั่นอีกทีหนึ่งพอเราปฏิบัติในขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งโดยการศึกษาให้รู้จักข้อเท็จจริงทุกอย่างเกี่ยวกับการหายใจ ย, า, ยา ว, ยาว ว่ามันคืออะไรมันมีเหตุมาจากไหนมันมีอิทธิพลต่อไปอย่างไรนี่ขั้นที่หนึ่งนั่งอุตสาห์ศึกษามันกันข้าใจเรื่องลมหายใจยาวแล้วขั้นที่สองต่อมาก็ศึกษาเท่าที่จริงทั้งหลายเกี่ยวกับลมหายใจสั้นทําไมมันจึงสั้นมันเป็นอย่างไรมันจะมีอิทธิพลต่อไปอย่างไรมันต่างจากลมหายใจยาวอย่างไรหายใจยาวคือปกติหายใจสั้นคือไม่ปกติมันตรงแตงร่างกายต่างกันมาก ลมหายใจยาวยิ่งยาวยิ่งละเอียดก็ร่างกายก็ยิ่งบสงบระ ง, งับลมหายใจสั้นมันก็กระโชกกระชากทําให้ร่างกายกระเพื้อมมูลเหตุมาจากอารมณ์ไม่ดีมันจึงหายใจสั้นถ้าเราทําลมหายใจสั้นทันมันยาวเสียมันก็จะแก้หายอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นให้ดีได้ <c oughs> นี่เราก็ฝึกหัดให้รู้จักทุกอย่างขอ้อเท็จจริงทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจยาวเกี่ยวกับลมหายใจสั้น ทีนี้มาขั้นที่สามรู้จักกายทั้งปวงรู้จักกายคือลมหายใจทั้งปวง <c oughs> ใช้คำว่าทั้งปวงทั้งปวงเท่าที่ควรรู้ในทีนี้ทั้งปวงมาหยุดอยู่ที่ว่าไอ้ลมหายใจนี่เองเป็นกายยะสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งกายถ้ามันหยาบประยาบด้วยกันถ้ามันละเอียดไปละเอียดด้วยกันมันเนื่องกันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ เราจึงรู้ว่าเราสามารถจะควบคุมร่างกายได้โดยผ่านทางการควบคุมลมหายใจเราศึกษาในข้อนี้ให้รู้แจง้งแกงแจง้แจงชัดเจนละเอียดละเอียดละเอียดครบถ้วนถึงที่สุดอย่างนี้เรียกว่ารู้จัก เ, เป็นผู้รู้ครอมเฉพาะซึ่งนกายทั้งปวงเป็นการปฏิบัติขั้นที่สาม ท, ทีนี้ขั้นที่สี่ก็เล่นงานเลย คือถ้าไม่กายสังฐานลมหายใจเนี่ยให้ระ ง, งับโดยวิธีที่ฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดฉลาดยิ่งขึ้นไประ ง, งับมากยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งมันเป็นฌานเป็นสมาธิท่ัทนนี้จบกันเทียมท่านนี้ทให้เกิดความระ ง, งับทางร่างกายซึ่งจิตใจก็คอยระ ง, งับด้วยตามส่วนแต่มุงม่งหมายส่วนร่างกายระ ง, งับจนเป็นฌานจนปฐมฌานเป็นต้น เนี่ยหมดที่หนึ่งมีอยู่สี่พนเกริบร่างกายมันก็สิ้นสุดตรงท่า น, นี้แต่มันทิ้งเงื่อนไว้ต่อไปอีกเพื่อในการที่เราบังรพกกายสังขารได้สำเร็จมีความสงบระงับเป็นฌานเป็นสมาธินี่มันก็จะม้เกิดความพอใจคือสิ่งที่เรียกว่าปีติขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจว่าฉันทำได้สำเร็จเรื่องความสาเร็จ เป็นสมาธินั่นเองมันทําให้เป็นปีติอยู่โดยโดยโดยธรรมชาติเราก็ได้ปีติเหลือทซากอยู่เหลือเรื่องเหลือเรื่องมาจากการปฏิบัติหมวดที่แล้วเล่าความที่ผ่านมาแล้วคือห ม, หมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่สี่ขั้นหมวดนั้นเสร็จไปแล้วมันก็เหลือเหลือเงินไว้ให้เป็นปีติมาสาหรับปฏิบัติต่อไปในหมวดที่สอง